อ่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าถีปังกร 1 อสงไขยเส 1 อสงไขยพอดีจึงมีพระ วันเวลาผ่านไปอีก 1 อสงไขยเนี่ยนะของเรามังคละพระพุทธเจ้าพระนามว่า อ่าสรุปว่าพระโพธิสัตว์ของเรา 24 พระองค์ด้วยกัน มาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะวิปัสสี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 พระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าดูในคัมภีร์อัปปทานอีกจะเห็นว่า 24 คือ ถามท่านก็มาเกิดท่านเป็นอะไรเป็นเป็นโชติปาลมนพเป็นคนเกิดในมีศรัทธาออกบวชพอออกบวชก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะได้ 8 อีกเหมือนกันเนี่ยนะทรงมากแต่ว่าท่าน ตอนที่เป็นท้าวสักกะเนี่ยมาช่วยพระศาสนาอยู่ตอนนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้านั้นก็ผ่านไปนะท่านก็เกิดเป็นเทวดาบ้างเกิด พิเศษอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะจุติจากดุสิตนั้นน่ะมีเทวดาเนี่ยนะเป็นหมื่นโลกธาตุมาอาราธนาก่อนนะอาราธนาว่า แต่ท่านปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้การที่สมควรแล้วนะฮะเนื่องจากว่า ข้อ 2 ก็ดูไปอีกว่าเอ่อจะไปปฏิสนธิเกิดที่ไหนเนี่ยอายุ 10 เดือน อธิษฐานก็จุติเลยก็มาเกิด 7 วันแม่ก็ตายรู้ตั้งแต่อยู่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะถามว่าทําไมทําไม ท่านแม่ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่างั้นเถอะธรรมดานะสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยมีหลายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ธรรมดาต้องตายหลังจาก 7 วันอันนี้เรื่องธรรมดานั่นแหละพอหลังจากประสูติเนี่ยนะ 7 เหตุการณ์ที่น่าสังเกตอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระองค์จุติจากทุสิทธิ์มาเกิดในครรภ์เนี่ยนะอันนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่น สังเกตดูนะภาพที่ที่เนปาลตอนนี้ก็ 29 ปี วันที่พระราหุลประสูติก็ออกบวชก็บอกมีเงื่อนว่าพระโพธิสัตว์ต้องเห็นหน้าลูกทุกองค์จึงจะได้ มันแต่ท่านก็ตัดใจแล้วก็ออกบวชเนี่ยนะพอออกบวชบําเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ทราบว่ารอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์ หลังจากนั้นพระองค์ก็เดินไปไกลตรงนั้นอีกหน่อยนะเพื่อที่จะไปยืนดูนะ 7 วันเสร็จแล้วก็ แล้วก็พระองค์ก็เสวยรอบๆนั้นพร้อมกับการพิจารณา ที่ลึกซึ้งยิ่งนักใช่มั้ยถ้าหากว่าเรา นะนั้นแล้วก็พระองค์ก็เลยมา Pijarana ten kam Aratana kong prom, asai pamaha karuna di kun kong pro onki miutasapasat. Godrood doe atayasai puto satangut, potrood doe zet, onkorap Aratana. Porap Aratana, onkor ma pijana eja pek brood kai, ben kon record. Kunja brood kai. Kapijana alada da bot, utaka da bot nee, ben kontikilate noimana. เพราะอะไรเพราะว่าด้วยกําลังสมาบัติเนี่ยนะกิเลสไม่ได้เกิดเลยในเราที่ มันก็ขอดโปรดไม่ได้แล้วทีนี้ก็พิจารณาถึงพระปัญจวัคคีย์ใช่มั้ยก็ ไอ้นั้นก็คือบรรลุด้วยข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็จะบรรลุได้หลังจากอีก 18 โกรธก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคล 5 ค่ําก็แสดงอนัตตลักขณสูตรก็บรรลุกันก็อยู่จําพรรษาด้วยการพ่อออกพรรษาก็โปรดพ่อแม่และภริยาของพยัสสะแล้วก็แสดงธรรมให้เพื่อนพยัสสะอีก 55 ท่านเนี่ยนะบรรลุหลังจากก็ประกาศสาวกไปประกาศ หลังจากนั้นก็ไปทรมานอุรุเวล 3,500 ก็กลุ่มเหล่านั้นบรรลุ แสดงธรรมให้พระ อชะดิน 3 พี่น้องได้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากพระองค์ก็แสดงพรหมนารทกัสสปชาดกว่าแก้มาแล้ว วัดเวฬุวันเนี่ยนะถวายวัดเวฬุวันพอตอนที่พระระยะ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 เนอะเค้าก็ทางโน้นได้ข่าวว่าเค้าไม่ได้นอนบนที่นอนดีแล้วนะนอนบนพื้นนางก็นอนกับพื้นบ้างเห็นมั้ยก็ก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะเสร็จแล้วพระองค์ก็คิดถึงลูกตลอดเนี่ยนะนึกถึงพระพระเอ่อพระพุทธเจ้านะคือ เอ่อพระเจ้าสุทโธทนะนะคิดถึงเจ้าเอ 40 ปีเพราะอายุเท่าไหร่ 70 แล้ว เพราะฉะนั้นก็โหเราไม่รู้จะตายวันตายพร่องหรือเปล่าไม่รู้ลูกก็ยังไม่ ก็เลยพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ฉันไม่ได้เป็นทหารแล้วนะบอกก็บอกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นอมมาตย์ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อย 9 ชุดบรรลุหมดเลยเนี่ยนะ 9,000 แล้วก็ พระ 7 ท่าน 1 ก็ 2 ก็ 3 ก็กาลุทายีอมมาทพระอานนท์เนี่ยนะแล้ว เสร็จแล้วก็เอ๊ะนึกถึงกาลุธายัมมาทนี่แหละก็ก็เรียกมาปรึกษาว่าพ่อเนี่ยอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นไป ไปเพื่อที่จะฟังธรรมเอ่อไปก็ไปยืนท้ายบริษัทฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันบรรลุที่ร่วงใบร่วงหมด ไปสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะ 2 เดือนพระ 60 โยชน์เดินทางเด 16 กิโลเมตรเนี่ย 2 เดือนถึงแต่ ไปเอาอาหารที่วังพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมาถวายพระ แล้วก็กลุ่มกบิลพัสด์อีก 10,000 เนี่ยนะและปารณาสูตรเนี่ยคงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมา 20,000 รูปไปก็เสด็จแล้วพวกญาติคือเจ้าสักยะทั้งหลายก็มาปรึกษากันว่า เนื่องจากว่าเป็นนักสักยะนิโครธเนี่ยนะมี นิโครธนี่แปลว่าต้นไทรนะก็คือวัดไทรนั่น นิโครทารามทีนี้ไอ้วิธีการต้อนรับเนี่ยนะเนื่องจากสายศักยะเนี่ยมีมานะมากเพราะกุมารีกุมาริกาทั้งหลาย หลังจากนั้นก็ส่งพวกราชกุมาร เป็นหลานบ้างเราเนี่ยเป พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้อัธยาศัยของพวกสักยะซึ่งมีมานะแก่กล้าขนาดนั้นพระองค์ก็เลยคิด ติดพระบาทของพระองค์หรอกแต่พระองค์นี่เหาะข้ามหัวไปมัน สำหรับรายละเอียดอย่างกว้างขวางในส่วนตรงนั้นก็ดูได้ในพุทธวงศ์กับจริยาปิฎกแต่แสดงไว้ละเอียดพอสมควร เอ่อหลังจากนั้นพระองค์ก็ลงลงจากรัตนะชมกลมมาเนี่ยนะก็ประทับนั่ง ข้าพระองค์ก็ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์เนี่ยกลับไปตั้งอยู่ณศีรษะแห่งพราหมณ์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็ เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นตอนอายุประมาณ 7 ขวบใน ไม่ได้ดูมัวแต่ไปดูแรกนาขวัญอยู่นิ่งๆก็เลยนั่งเข้าปฐมฌานเนี่ย ก็เลยกราบลูกชายเป็นหนที่สองเลยกราบลูกชายแสดงยมกะปาฏิหาริย์ข้าพระองค์เห็นปาฏิหาริย์ที่ยัง พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเค้าเป็นพระราชานะเค้าตำแหน่งพระราชา โอ้โหพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์มากอ่ะนะเจริญพุทธคุณกันจิตฝนบกขรพรรษให้ตกลงมาเนี่ยเสียงเนี่ยสู่ซ่าไหลไปแม้แต่หยดเดียว เรียกว่าตกใครอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกบรรพปวงชนที่อยู่ในนั้นก็อัศจรรย์กันหมดภิกษุก็เลย ก็เลยถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนาพูดถึงกันด้วยเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูล ญาติสมาคมเหมือนกันเนี่ยนะคือฝนที่ พระองค์ก็อาศัยคํามราธนาของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะที่อาศัยเรื่องฝนโบครพรรคเนี่ยพระองค์ก็เลยแสดง ประวัติโดยย่อเนี่ยนะจนมาถึงเหตุการณ์ว่าที่แสดงพระเวสสันดรเนี่ยคร 7 ครั้งในเป็น แล้วก็เป็น